วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง0ันห้าอหกสิบตรงกับวันแรมสิบสี่ค่ำเป็นวันพระวันธรรมสวัสวนะวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เอกวันหนึ่งเพราะจะได้มีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกาลมุตตะมังการไม่ครบคนพานการครบบันดิต เป็นมงคลอย่างยิ่งคนพาลก็คือคนง่อคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะนี่คือลักษณะของคนพาล คนก็คนไม่ฉลาดส่วนบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้ตนรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะความรู้นี่แหละที่จะทำให้เกิดการกระทำที่เป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคล ถ้าไม่รู้ก็จะทําสิ่งที่เป็นอัปมงคลถ้ารู้ก็จะทําสิ่งที่เป็นมงคลการที่เราจะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาได้ก็ต้องเข้าหาบัณฑิต และไม่มีบัณฑิตที่ไหนที่จะฉล า, าดเท่ากับบัณฑิตของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อให้เข้าหาบัณฑิตนั่นเอง เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งแล้วก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณถ้ารู้สิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไป ได้อย่างสิ้นเชิงพระองค์จึงทรงสอนให้คบบัณฑิตไม่ให้คบคนพาลคือคนงโง่คนงโง่ก็คือคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียต่างๆ ไม่รู้ว่าบุญมีจริงผลของการทำบุญคือสวรรค์นั้นมีจริงไม่รู้ว่าการทำบาป น, นี้มีผลคือทำให้ต้องไปเกิดในอบายแต่บัณฑิตนี้จะรู้เรื่องราวเหล่านี้จะรู้เหตุของความสุขรู้เหตุของความทุกข์ รู้เหตุของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายรู้เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในสุขติรู้เหตุที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มีบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะรู้วิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการเข้าวัดจึงเป็นการเข้าหาบัณฑิต บันเด็ดนี้ก็มีสามท่านด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากไปแล้วพระองค์ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคาสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสตาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคําสอนหรือศึกษาพระธรรมคําสอนองค์ที่สที่เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้นําเอาไปปฏิบัติ จนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้รู้เหตุที่จะทำให้จิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้จิตนั้นมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียรู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆท่านเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะ เข้าศึกษารับถ่ายทอดความรู้ที่เราจะสามารถนําเอามาสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตของเราได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําทางเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเพราะพวกเหล่านี้ยังเป็นคนพานอยู่ ยังเป็นคนโง่อยู่พวกเรายังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นกงจากเป็นดอกบัวอยู่เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดยที่เราไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าเรานั้นกำลังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีความรู้นั่นเองเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรา จะเป็นอย่างไรต่อไปเราสูญไปหรือว่าเรายังอยู่เราอยู่แล้วอยู่อย่างไรเราจะไปที่ไหนต่อจะไปเป็นอะไรเรื่งเหล่านี้พวกเรายังไม่รู้กันพวกเราจึงเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนคนตาดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ว่า หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้เรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเพราะผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นส่วนประกอบไม่ได้เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกัน แล้วก็ต้องแยกออกจากกันเพราะดินน้ำลมไฟนี้จะต้องกลับไปสู่ที่เดิมของเขาน้ำจะน้ำจะกลับไปสู่น้ำดินจะกลับไปสู่ดินลมจะกลับไปสู่ลมไฟจะกลับไปสู่ไฟมารวมกันเพราะมีเหตุทำให้มารวมกันแต่พอเหตุนั้น หมดไปอดินน้ําลมไฟก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายจึงต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นเซลลประไม่ได้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ําลมไฟใจนี้เป็นธาตรู้ <c oughs> เป็นธาตุที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันแยกไม่มีวันสลายเหมือนกับธาตุน้ํานี่ก็ไม่มีวัน แต่ไม่มีวันแยกไม่มีวันสลายธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเขาไม่มีวัน <c oughs> สล่มสลายหายไปแต่เขามารวมกันได้ ม, มารวมกันทําให้เกิดร่างกายทําให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมีธาตุทั้งหกมารวมกันะนอกจากธาตุดินน้ําลมไฟแล้ว ก็มีอากาศสะท้านและมีธาตุรู้คือใจมารวมกันจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วพอธาตุทั้งหกนี้แยกทางกันไปร่างกายของมนุษย์ก็หายไปร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็หายไปน้ำก็ไป กลับไปหาน้าลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปหาไฟ <c oughs> ดินก็กลับไปหาดินดูร่างกายของมนุษย์เราเวลาตายไปน้าก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกมาไฟก็หายไปทิ้งไปนานๆเข้าก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน <c oughs> หรือถ้าเราเอาไปเผา ก็เหลือเหลือแต่ดินเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกที่จะผุจะเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปธาตุไฟก็ไปอยู่กับธาตุไฟธาตุลมก็กลับไปอยู่กับธาตุลมธาตุน้าก็กลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุรู้ก็อยู่กับธาตุรู้อยู่ในโลกทิพย์ธาตุรู้นี้อยู่ในโลกทิพย์ แล้วก็ธาตุรู้นี่แหละที่จะไปเป็นสวรรค์หรือไปเป็นนรกไปเป็นอบายอยู่ที่การกระทาของธาตุรู้นี้เองการกระทาของธาตุรู้ก็คือการคิดคิดแล้วก็ทำผ่านทางร่างกายเช่นคิดทำบุญหรือคิดทำบาปถ้าคิดทำบุญก็จะทำให้ธาตุรู้นี่เย็นมีความสุข ถ้าคิดทำบาปก็ทำให้ธาตุรู้นี้ร้อนมีความทุกข์นี่แหละสุขทุกข์ก็อยู่ที่ในธาตุรู้นี้พอไม่มีร่างกายธาตุรู้นี้ก็จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปตามกำลังของบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็น ความสุขเป็นความเย็นเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าเป็นความทุกข์เป็นความร้อนเราก็เรียกว่าอบายแต่เป็นอะไรก็ไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมารวมกับธาตุสี่อีกครั้งหนึ่งมารวมเป็นเดะชะานเริมมารวมเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําบุญทําบาปกันต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่า ตนนั้นทําแล้วจะได้รับผลอะไรทําไปตามความรู้สึกนึกคิดอซึ่งความรู้สึกนึกคิดส่วนใหญ่ก็จะทําไปในทางที่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะใจหรือธาตุรู้นี้ได้ถูกความหลงหลอกให้ คิดทำในสิ่งที่จะทำให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆหลอกให้หาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองหลอกให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแล้วในการหาความสุขนี้ก็หาโดยหลายแบบวิธีด้วยกัน บางทีก็หาแบบโดยวิธีที่เป็นบาปก็จะทำให้มีผลที่ไม่ดีตามมาแล้วบางทีก็ทำบุญเนื่องจากว่ามีอะไรที่มากที่เหลือเฟือ่อที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้หรือใช้เองก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่น อันนี้ก็เป็นการทำบุญแล้วบุญกับบาปนี้ก็จะทำให้จิตนี้ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนาได้มาพ บ, พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อน mm. คือเรื่องที่ทำให้ธาตุรู้นี้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้มาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยว่าเกิดจากอะไรและถ้าไม่อยากที่จะมามีร่างกาย เพราะว่ามีแล้วจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายก็มีวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายได้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ได้ค้นพบเหตุที่ทําให้ธาตุรู้นี้มารวมกับธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟและอากาศสาศัทธา มาเป็นมนุษย์หรือมาเป็นเดรัจฉานเพราะตัณหาความอยากนี้เองตัณหาความอยากสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผุภาเพราะเสบแล้วมีความสุขเสบแล้วก็ติดต้องเสบอยู่ได้เรื่อย เพราะความสุขที่ได้จากการเสพเป็นความสุขชั่วคราวพอหมดก็ต้องเสพใหม่เหมือนกับยาเสพติดดีๆนี่องต้องเสพอยู่เรื่อยเพราะเวลาไม่ได้เสพก็จะไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขก็รู้สึกหงดหยิดลำคาญเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงต้อง ระบายลืมดับความทุกข์ด้วยการไปเสพรูปเสียงเกลื่นรดต่างๆอยู่เรื่อยๆเสพไปจนกว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพนั้นไม่สามารถที่จะเสพได้ก็ต้องทุกข์ทรมานไปจนกว่าร่างกายนั้นจะตายไปพอร่างกายตายไปแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ รว่างที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลของบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้แล้วก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะ ภาวะตันหาก็คือการอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิภาวะตัญหาก็คือการอยากไม่สูญเสียความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอันนี้ทำให้จิตต้องเด่นรนมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะจะต้องมีร่างกายถึงจะสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะทรงเห็นว่าเวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่สามารถทำอะไรอย่างที่พระองค์ทรงกระทาได้ตอนที่พระองค์ เห็นคนแก่ตอนนั้นพระองค์ยังเป็นคนหนุ่มมีร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่พอพระองค์ได้ทรงทราบว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและก็จะต้องตายไปพระองค์ก็เลยเกิดความหวาดกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย จนทำให้พระองค์ไม่มีความสุขกับการที่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะรู้ว่าในอนาคตไม่นานที่จ ะ, จะถึงนี้พระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้จึงทำให้พระองค์ต้องคิดค้นหาวิธีว่า ทำอย่างไรที่จะทําให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายบ้างก็ทรงเห็นนักบวชและได้ยินว่านักบวชนี้เป็นผู้แสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยทรงเกิดศรัทธาอยากจะบวชพอมีโอกาสพอถึงเวลาที่พระองค์จะต้องสละราชสมบัติ เพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถสละราชสมบัติไปบวชได้เพราะพระองค์จะมีพระราชโอรสแล้วถ้ามีพระราชโอรสอยู่ก็ต้องอยู่เลี้ยงดูพระราชโอรสพอได้ทราบกล่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงหนีไปในคืนนั้นเลยทรงไป อยู่แบบนักบวชส่งไปศึกษากับนักบวชต่างๆเพื่อค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้พระองค์ในที่สุดก็เลยต้องทรงค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบ ตัณหาทั้งสามตัวนี้คือกามตัณหาภาวะตัหาวิภาวะตัณหาว่าเป็นตัวที่พาให้กลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายแต่ถ้าตายแล้วถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ธาตุรู้นี้ก็ไม่ต้องกลับมารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟคือไม่ต้องกลับมาเกิด พอไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายและพระองค์ก็ได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ผู้หนหลังจากที่พระองค์ได้ทำลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดเส้นไปทําให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและทําให้พระองค์ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความโลภปราศจาก กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาทำให้ใจนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสบายตลอดเวลาเหตุที่ทำให้ใจไม่สุขเหตุที่ทำให้ใจไม่อิ่มไม่มีความสบายก็เพราะความอยากนี้เองเวลาใดที่เกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะกระวนกระวายกระสับกระสาย จะหุดเหยียดลำคาใจเพราะมีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองพอได้เสบความอยากนั้นก็จะสงบตัวสยบสงบตัวไปชั่วคราวแต่ไม่ไม่ตายไม่สูญไปสงบไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ พอเกิดความอยากใหม่ก็เกิดความหงุดหงิดความลำคาญใจความกังวลก้าวายกระสับกระสายหรือความว้าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงาจึงทําให้ต้องไปเเสพอยู่เรื่อยๆอเสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบพระองค์จึงเห็นว่าวิธีที่จะทําทให้ความอยากนี้หมดไปต้องไม่ทําตามความอยากเท่านั้น และการจะทําไม่ทําตามความอยากได้นี้ก็ต้องมีเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีเครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะทําลายความอยากได้เครื่องมือที่จะทําลายความอยากได้ก็คือสติและปัญญานี้เองด้วยการสนับสนุนของศีลและของฐานะ ตอนต้นต้องทําทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนอย่างพระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติเพื่อจะได้เป็นอิสระจากภารกิจการงานต่างๆถ้ายังต้องทํางานทําการยังต้องใช้เงินยังต้องหาเงินหาทองอยู่ก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญาจึงจําเป็นที่จะต้อง สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละงานการสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปให้หมดเพราะสมบัติต่างๆบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขนั้นเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะต้องสละความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆนี้ไปแล้วก็จะได้มีเวลาไปบําเพ็ญไปเจริญสติไปเจริญปัญญาการจะเจริญสติเจริญปัญญาได้ก็ต้องมีศีลคอยกัน้นคอยบังคับไม่ให้จิตไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่จะเป็นอันตรายที่จะเป็นโทษต่อ การทำใจให้สงบนะก็ต้องถือศีลถือศีลแปดกันถ้าต้องการถ้าต้องการที่จะมีเวลามาบำเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญปัญญานี้จำเป็นจะต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมร่วมหลับนอนกันกิจกรรมรับประทานอาหารเย็นในยาม ในยามบ่ายยามคำ่ำให้รับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นจะได้มีเวลาไปบำเพ็ญไปเจริญสติไปเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาหลับนอนแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูการฟังมอหสรศบันเทิงต่างๆ ไม่ให้ไปหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผาทําผมไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวไปงานต่างๆไปงานราตรีไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะทําให้ไม่มีเวลามาบําเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญปัญญาที่จะมาหยุดตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้เอง ผู้ที่จะต้องการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้จําเป็นจะต้องอตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปความสุขทางร่างกายทุกรูปแบบเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วพอใจสงบเป็นสมาธิก็จะมีความสุขพอมีความสุขก็จะสามารถใช้ปัญญา ตัดความอยากที่จะหาความสุขในรูปแบบต่างๆไปได้หมดนะถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีความสุขทางใจนี้จะตัดไม่ขาดนะเพราะยังรักยังหวงความสุขในรูปแบบอื่นอยู่แต่พอมีความสุขที่ได้จากสมาธิที่ดีกว่าความสุขที่ได้ในจากรูปเสียงกล็่นสด่างๆ ก็จะสามารถตัดกามตัณหากับตัดภาวะตัณหาตัดวิภาวะตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุทำไมจะต้องเจริญสติในเบื้องต้นก่อนจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนัน่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเป็นหนึ่งเป็นอัปปน า, าเป็นเอกขักกตารมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขา เพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งพอได้ความสุขจากสมาธิแล้วพอปัญญาสอนให้ละตันหาความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสามารถละได้เพราะไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขใหม่รอสำรองอยู่คือความสุขจากความสงบถ้าไม่มีความสุขจากสมาธิสำรองอยู่ ถึงแม้เวลาปัญญาจะสอนว่าอยากไปทำต่างความอยากก็จะห้ามไม่อยู่อยากจะดูก็ยังจะไปดูอยู่อยากจะฟังอยากจะดื่มอะไรก็ยังจะไปทำอยู่ความอยากก็ยังไม่หมดไปจากใจแต่ถ้ามีสติที่สามารถควบคุมความคิดทำให้ใจไม่คิดทำให้ใจสงบนิ่งเป็นสมาธิได้เป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งได้แล้ว พอเกิดความอยากก็สามารถใช้ปัญญามากาจัดได้ปัญญาก็จะบอกว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการพาให้ไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปเป็นการไปสู่ความสุขกันเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ และสมาธิคือความสงบการอยู่เฉยๆการอยู่โดยไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง <_ d ose> ก็จะทำให้กล้าตัดความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆไปหยุดได้ไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจนี้หิวทำให้ใจนี้กวลกวายกระสับกระส่าย ทำให้หงดหงิดลำคาญใจทําให้ว้าเหวเศร้าหมองอะไรเลยอยู่ตามลำพังได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่งโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจเมื่ออยู่ตามลาพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไ ร, ก, ไไะไรก็ไม่ต้องมาเกิดนั่นเองเพราะไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งที่ได้จากการมาเกิดก็สู้ สิ่งที่มีอยู่จากการหยุดความอยากต่างๆไปไม่ได้พอใจไม่มีความอยากแล้วนี่ใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมานิบานังปรมังสุขขังก็แปลว่าใจที่ปราศจากตารหาความอยากนี้คือนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ได้ทรงทำให้พระองค์ได้ สุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทรงค้นพบความสุขที่เป็นบร ม, มสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเหมือนกับความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังมีอยู่กันในขณะนี้เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นบางอย่างก็สั้นบางอย่างก็ยาวจะสั้นหรือจะยาวความสุขเหล่านี้ในที่สุดก็จะต้องหมดไป เมื่อร่างกายไม่สามารถาสรรหามาเสพได้นั่นเองเวลาที่แกเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะตายนี้จึงเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเพราะใจไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้ามีความสงบจากการเจริญสติจากการทำใจให้สงบด้วยการฝึกนั่งสมาธิ เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากสมาธินี้เกิดจากสติไม่ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายจะเสื่อมไปไม่สามารถมองไม่สามารถดูหรือฟังลืมรส ด, ดมกลิ่นสัมผัสอะไรต่างๆได้แต่ใจก็ยังมีความสุขได้ พอใจมีความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสตินี่และจากปัญญาที่กำจัดความอยากต่างๆถ้ายังมีหลงเหลืออยู่ปัญญาก็จะกำจัดไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปหมดอารมณ์ที่เรา ไม่ชอบกันนี้มันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแหะอารมณ์เศร้าซ้อยง้อยเห ง, งาอารมณ์ว้าเหวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์กัวลกาวายก้าสาวก็าสายวิตกกังวลว้าวุ่นขุ่นมัวอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากความอยากทั้งนั้นพอไม่มีความอยากแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะไม่มีอยู่ภายในใจใจจะเป็น ใจที่สะอาดบริสุทธิ์สักแต่ว่ารู้มีแต่สักแต่ว่ารู้ไปแต่เป็นสักแต่ว่ารู้ที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกนี้ท่านได้เสด บ, บรมมาสุขนี่มา 2,000 กว่าร้อยปีแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสัตว์เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว พระองค์ได้เสพ บ, บร ม, มสุขนี้มา 2,500 กว่าปีแล้วแล้จะเสพอย่างนี้ต่อไปนับไม่ท่วนนับไปจนวันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตแต่ละดวงนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกามตัาหาภวตันหาวิภาวะตันห า, ะะนหาก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ต่างกับจิตของพวกเราที่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่มีจะมีความสุขเหมือนหิ่งห้อยเหมือนแสงหิ่งห้อยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอได้ทําสิ่งที่เราอยากได้ทำอยากทําก็เกิดความสุขขึ้นมาพอทําเสร็จแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ต้องทําใหม่ขึ้นมาถ้าในช่วงไหนไม่สามารถทาได้ช่วงนั้นก็จะความสุขนั้นก็จะดับไปยาว เช่นไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้หรือล้มละลายกลายเป็นขอทานไม่มีเงินมีทองที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสรมาให้ความสุขช่วงนั้นก็จะกลายเป็นช่วงของความทุกข์หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการนี่เป็นความสุขที่พวกเรากําลัง หากันอยู่และจะเป็นความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ถ้าเราทำลายความอยากต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำลายแล้วใจของเราก็จะเป็นความสุขไปตลอดจะไม่เกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยจะเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์เนี่ย จะสว่างสวายจะเป็นความสุขที่ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ความสุขที่พวกเราได้การนี้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยกว่าจะได้ความสุขแต่และครั้งนี้ก็ต้องไปเดินลนหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหาเงินหาทองแล้วก็ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบที่เราอยากจะเสก พอได้เสพปั๊บเดียวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องหามาใหม่เสพใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายตายไปก็ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนก่อนที่จะได้มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเสพใหม่แล้วก็มาทุกข์ใหม่สลับกันไปสุขกับทุกข์สลับกันไป เวลาสุขก็สนุกสนานดีกันดีใจกันแต่พอเวลาทุกข์ทีก็ร้องหม่มร้องไห้กันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นบัณฑิตพวกเรายังเป็นคนพานอยู่เพราะพวกเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้ ไม่เหมือนกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านสามารถทำใจของท่านนี้ให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายซ้าแล้วซ้าเล่าร่างกายที่เรามีกันนี้มันมากมายกายกอง พระพุทธเจ้า ส, ส่งเปรียบเทียบว่าถ้าเราเอาน้ําตาที่พวกเราได้หลังกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเรามาสะสมเก็บเอาไว้รวบรวมไว้มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรสิคิดดูกันแล้วกันว่าปริมาณของน้ําตาที่เราต้องหลังกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มันจะมีกี่ภพกี่ชาติกันถึงจะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะ นั่นแหละคือความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้คือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่พวกเราสามารถที่จะกำจัดมันได้โดยเฉพาะในชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับบัณฑิตได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้พวกเราสร้างเครื่องมือที่จะมากำจัดความอยากต่างๆเหล่านี้ เพื่อเราจะได้หยุดหลังน้ำตากันเราจะได้ไม่ต้องมาสร้างมหาสมุทรน้ำตากันต่อไปถ้าเราไม่ได้พบกับบัณฑิตของพระพุทธศาสนาเราก็ยังจะต้องสร้างน้ำตามหาสมุทรต่อไปแล้วนานๆโอกาสที่เราจะได้มาพบกับบัณฑิตของพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่าย ว่านานๆจะมีบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสัลุสักครั้งหนึ่งนระยะเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตัดสัูุนี้ห่างไกลกันเป็นเป็นกลับเป็นหลายล้านล้านปีด้วยกันเราก็ต้องเวียนไหวาตายเกิดไปจนกว่าจะมีจังหวะดีได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา มีบัณฑิตคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาตนี้พวกเราได้มาพบกับบัณฑิตแล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือเราควรจะเข้าหาบัณฑิตกันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้นําเอาไปปฏิบัติกันถ้ามี การสอนแล้วเรานำมาไปปฏิบัตินี่ปฏิบัติได้กันทุกคนเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นเกินความสามารถของมนุษย์อย่างพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อและพร้อมที่จะทำตามหรือไม่ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่อยากจะทำตามถ้าเชื่อก็อยากจะทำตามถ้าเกิดความอยากจะทำตามแล้วรับรองทำได้ทุกคน พ, พออาราะพระอรหันตสาวกที่มีจํานวนเป็นแสนเป็นล้านนี่ท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนเรามาก่อนแต่พอท่านได้พบกับพระพุทธก็ะธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความอยากที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอท่านมีความอยากที่จะปฏิบัติท่านก็สามารถปฏิบัติกันได้ และพอปฏิบัติแล้วท่านก็สามารถที่จะบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องบำเพ็ญบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาพบมาพบความรู้ว่าตัณหาความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องบำเพ็ญต้องศึกษา มาอย่างเวลาอันยาวนานศึกษากันเป็นล้านล้านปีด้วยกันไม่รู้กี่ล้านชาติกว่าจะได้มาพบคำตอบว่าการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากาตัณหาคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้และการที่จะหยุดกามาตัณหาวิภาวะตัณหานี้ก็ต้องหยดด้วยทานด้วยศีล ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้เองพอสงคนพบความจริงอันนี้แล้วพวกเราก็สบายไม่ต้องไปค้นหาด้วยตนเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ต้องไปค้นหาค้นหาความจริงอันนี้กันซึ่งกว่าจะเราจะได้พบก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือนานกว่าพระพุทธเจ้าเพราะบารมีของพวกเราอาจจะไม่ถึง บารมีของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะไม่มีวันค้นพบเลยก็ได้พวกเราบารมีของพวกเราอย่างมากก็มีตรงที่ว่ารอให้พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราเท่านั้นตอนนี้พวกเรามีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาคำตอบไม่ต้องไปค้นหาวิธีที่จะกำจัดปัญหาตอนนี้พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราแล้วว่า ปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือความอยากสามประการนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากร่มรวยอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขและความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยเรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเราจะกาจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญ ศีลสมาธิปัญญาก่อนที่เราจะมาเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็ต้องละชีวิตของผู้ครองเรือนไปเพราะชีวิตของผู้ครองเรือนนี้ไม่เอื้อต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าอยากจะได้ศีลสมาธิปัญญาก็จะต้องละชีวิตของคาลวาสผู้ครองเรือนไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ปาสามกทั้งหลายท่านได้สละกันพอท่านได้สละท่านก็มีเวลาเต็มที่ที่จะไปบาเพ็ญและบาเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาพอท่านได้บาเพ็ญกันก็ได้ดุดพ้นได้บรรลุ ถ, ถึงผลภายในภพนี้ชาตินี้เลยบางท่านก็เร็วมากเจ็ดวันก็ได้บางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีรับรองได้ว่าถ้าลอง ปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วจะได้ผลเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายท่านได้ผลอย่างแน่นอนเพราะท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็มีศรัทธาความเชื่อมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็สละชีวิตของผู้ครองเรือนไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา แล้วไม่นานท่านก็สามารถบรรลุถึงผลที่ท่านปรารถนาได้ได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานที่มีแต่บรมสุขไปตลอดของพระพุทธเจ้าก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่จะกี่ปีก็ตามพอไปถึงแล้วเดี๋ยวก็จะยาวไปด้วยๆกัน จาก 2,500 ปีก็เป็น 2,500 ล้า น, านปีมันจะยาวไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตไม่มีวันตายไม่มีวันดับความสุขที่อยู่ในจิตในใจก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันดับเป็นอาการลิโกเป็นอ ม, มตะเป็นสิ่งที่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ถาวรเป็นอนิจจามีจิตดวงเดียวนี้ที่ถาวร และความสุขที่อยู่ในจิตนี้ก็เป็นจิตเป็นความสุขที่ถาวรเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงหาความสุขปลอมกันมาหาความสุขจริงกันเถิดด้วยการมาเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 ที่ไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ฟังได้ยินคำถามถ้ายังไม่มีใครก็ให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านถามไปก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณนัฐพัฒนการอดนอนจะช่วยทำให้สมาธิตั้งมั่นจริงหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่หรอกคือการอดนอนหมายถึงว่าเราจะได้มีเวลาปฏิบัตินะ ถ้าเราไม่ถ้าเราหลับนอนเราก็จะเสียเวลาไปาท่านที่อยากจะรีบบรรลุอยากจะได้ผลเร็วๆท่านก็เลยยอมอดนอนเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะบางทีเรานอนมากเกินไปไม่จำเป็นบางท่านอาจจะนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอบองท่านท่านถึงถือเรียบทสามท่าเรียกว่าเนสัจชิก คือถ้าจะหลับก็ขอให้มันหลับในท่าใดท่าหนึ่งยกเว้นท่านอนเพราะท่านรู้ว่าท่านอนแล้วมันจะหลับนานท่านก็เลยนั่งหลับแทนถ้าถ้าถ้าอยากจะหลับก็นั่งหลับนั่งหลับมันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาอย่างมากก็หลับแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะตื่นแล้วท่านอนก็จะสี่ห้าชั่วโมงในท่านอน ท่านนี้ก็เลยไม่อยากที่จะเสียเวลาเพราะท่านเห็นพิจารณาความแม่นเที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นเท่านี้มีเวลารีบใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เต็มที่ดีกว่าเพราะนานๆจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งมีคนสอนมีคนบอกทางถ้า ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้อย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระพุทธเจ้าได้ไปส่งศึกษาวิธีนั่งสมาธิได้รูปปัจจานารูปปัจจานแต่ท่านทั้งสองรูปนี้ก็ตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรแล้วกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อีกหลายหมื่นปีพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จะพลาดาจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อาจจะต้องไปรอขององค์ต่อไปซึ่งจะเป็นเวลาอีกยาวนานทีเดียวท่านจดผู้ที่มีความเห็นภัยในความไม่แน่นอนของชีวิตท่านถึงรีบทำความเพียรกันเลยถือในสัตชิกันคำถามจากคุณจันทิพย์ เรามักเชื่อว่าการที่เรารู้ว่าทุกข์รู้ว่าวางรู้กำลังวิตกกังวลรู้จิตตกนี้เป็นความเข้าใจตามที่เราเข้าใจในการปฏิบตัติหรือเปล่าคะคือการรู้นี้ก็รู้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหากับเราถ้ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้มันเหมือนเราดูร่างกายเรา เวลาร่างกายเราปวดท้องนี่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหานั้นเช่นหายามารับประทานไม่หายก็ต้องไปหาแพทย์แพทย์ก็อาจจะต้องวินิจฉัยอาจจะต้องพาหรือทําอะไรเพื่อที่จะรักษาโรคของร่างกายใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายมันก็มีโรคอาการต่างๆที่ทําให้เราไม่สบายใจ ถ้าเรามีปัญญาเราดูเราก็จะเห็นแล้วเราถ้าเรารู้เหตุของโรคต่างๆของอารมณ์ต่างๆว่ามันเกิดจากอะไรเราก็สามารถที่จะกําจัดมันได้ทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆได้ คำถามจากคุณมณัสวีลูกเริ่มปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาถือศีลแปดที่วัดครั้งละห้าวันสงบและสุขในขณะปฏิบัติเมื่อกลับมาบ้านพยายามครองอารมณ์สุขสงบในใจ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมครอบครัวให้ได้บางครั้งเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมแต่ด้วยหน้าที่จึงต้องดำเนินต่อไปแต่ก็หาเวลาฟังธรรมและสมาธิอยู่ประจาเมื่อทำไปเรื่อยๆอยากจะทำทุกเวลาจนรอบข้างบอกว่าเคร่งครัดเกินไปขอข้อธรรมจากพระอาจารย์ในขณะที่เราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราควรกาหนดอย่างไรคะ ก็หนึ่งไม่ต้องไปกังวลกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเพราะเขาไม่เคยปฏิบัติเขาไม่รู้ว่าความเคร่งครัดนั้นมันเป็นอย่างไรของเขาเพียงแต่นั่งสมาธิสิบนาทีเขาก็ว่าเคร่งครัดแล้วเห็นเขาไม่เคยเห็นพระที่เคร่งครัดนั่งทีหกชั่วโมงแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับคาพูดของเขาเพราะเขาพูดเหมือนคนตาบอดพูด ส่วนเราก็พยายามประคับประคองใจของเราด้วยสติให้ใจเราควบคุมความคิดอย่าคิดให้ทําอะไรไปด้วยใจที่สักแต่ว่ารู้ไปถ้าต้องคิดก็คิดด้วยเหตุด้วยผลกับงานที่เรากำลังทาอยู่แต่อย่าไปคิดวิพากษ์วิจารไปคิดวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ใจเราสักแต่ว่ารู้อยู่กับงานที่เราทา หรือไม่ฉะนั้นก็ใช้คําบริกรรมพุทโธถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดไม่ยอมไม่ยอมหยุดวิพากวิจารณ์วิตตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องใช้พุทโธเป็นการเจริญสติพอเรามีพุทโธมีสติความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลงแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายใครจะพูดอะไรใครจะทําอะไรเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเดือดร้อน เพราะใจที่มีอุเบกขานีจะวางเฉยได้คําถามจากคุณจิ้นเพลถ้าอยากบวชขึ้นมาอยู่บนเขาต้องทําอย่างไรติดต่อที่ไหนบ้างครับเคยจะขึ้นมาบวชยังอยู่ที่นี่มันที่นี่ไม่รับบวชต้องบวชจากที่อื่นบวชแล้วก็ต้องมาดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่าเหมือนกับมาหาอะไรเนี่ย ก็จะไปเข้าก็ต้องไปตรวจดูว่าเขามีที่ว่างให้เราเรียนหรือเปล่าถ้าเขาเต็มก็ต้องรอให้มันว่างก่อนซึ่งตอนนี้ที่นี่มันเต็มเพราะที่นี่มีที่ไม่มากรับพระได้แค่เสิบกว่ารูปเท่านั้นเองเพราะที่อยู่มีน้อยเป็นสถานที่ค่อนข้างจะจํากัดนะดังนั้นก็ต้องรอคิวไปก่อนรอจังหวะถ้ามีที่ว่างก็จะ มาอยู่ก็ก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราผ่านข้อสอบต่างๆอีกหรือเปล่าเพราะเหมือนการที่เราจะไปศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆเขาก็ต้องดูคุณสมบัติของเราว่าเราพร้อมหรือไม่เขาก็จะมีข้อสอบต่างๆให้เราสอบถ้าเราสอบผ่านเขาก็จะให้เราเข้าเรียนได้ถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็เข้าเรียนไม่ได้ ที่นี่ก็มีข้อสอบเหมือนกันที่จะต้องมาผ่านข้อสอบดูงั้นขั้นตอนมันค่อนข้างยาวงั้นอย่ามาดีกว่าไปที่อื่นที่มันง่ายกว่าคำถามจากคุณไทยเมยขออนุญาตย่อเอาเฉพาะคำถามนะคะ ข้อที่หนึ่งโยมเริ่มฝึกสมาธิด้วยการภาวนาพองหนอยุบหนอรู้ตามอาการพองยุบจนกระทั่งอาการหายไปเหมือนไม่หายใจกายหายไปมีเพียงตัวรู้นิ่งอยู่รู้สึกเบาสบายมีความสุขเกิดปิติการภาวนาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ก็ถูกต้องก็พยายามปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเบาทำบ่อยๆทำให้ชำนาญหลังจากที่เราสามารถนั่งและเข้าสู่ความสงบนี้ได้ทุกครั้งต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาหัดเจริญปัญญากันหัดมามองสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เพื่อเราจะได้ปล่อยความยึดติดเช่นกับบุคคลต่างๆที่เรารักที่มีความผูกพันเราต้องพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องจากเราไปหรือวันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องจากเขาไปถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเกิดการพลาดพลากจากกันเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรามั่นพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีการพลาดพลากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพลาดพลากจากกันไปไม่ได้คิดบ่อยๆแล้วมันจะไม่ดืมพอไม่ดืมแล้วมันก็จะไม่เสียหลักเวลาที่เกิดการพัดพลาดจากกันขึ้นมามันก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อน ข้อที่สองเวลาภาวนาตั้งใจจะบริกรรมคำภาวนากำหนดไปได้ไม่นานรู้สึกไม่อยากกำหนดรู้ตามอาการต่างๆที่เข้ามากระทบ ตามอาการนั้นไปเรื่อยๆจนจิตนิง่งไม่คิดไม่ปรุงแต่งสักพักรู้สึกเบื่อเพราะมันนิ่งเหมือนหัวโอรู้สึกลำคาญก็เลิกปฏิบตัติควรจะทำอย่างไรดีคะก็ไม่ควรไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ควรตามสิ่งที่มาปรากฏควรให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันจะทำให้จิตนิง่งสงบแล้วมีความสุขแล้วจะไม่เบื่อ ข้อที่สามขณะทำงานฟังธรรมไปด้วยได้และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคือกำหนดรู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบพอตั้งใจกำหนดรู้รู้สึกว่ามันรู้รรนิ่งอยู่และมีตัวดูผู้รู้อีกตัวเฝ้าดูกันอยู่แล้วหมดความรู้สึกรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนไม่หายใจทำไมเป็นเช่นนั้นแล้วควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะ ก็ถ้าเราปฏิบัติใจมันถ้าปฏิบัติถูกใจมันก็จะปล่อยวางมันจะสักแต่ว่ารู้มันจะเป็นอุเบกขามันจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้เช่นมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ทีนี้เราก็ต้องทดสอบดูว่ากับเรื่องธรรมดาเรื่องเบาๆอาจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ได้แต่ถ้าไปเจอเรื่องหนักๆเข้านี้ จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้หรือเปล่าเอานเราก็ต้องดูเพราะเหตุการณ์ของชีวิตเราส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเบาๆแล้วนานๆมันถึงจะมาเจอของหนัหนกๆสักทีเช่นแฟนไปมีีหนูที่ไหนแล้วดูซิว่ายัางใจยังเฉยๆยังสบายสบายได้หรือเปล่าก็ที่สี่ ในวัยเด็กอายุเก้าสิบขวบโยมนั่งดูเพื่อน เ, อนเล่นกันรู้สึกถึงตัวรู้ขึ้นภายในสงสัยว่าเราเป็นใครโยมเป็นเด็กที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวชอบความรู้สึกนิ่งๆกลางคืนเวลาหลับจะรู้สึกว่ารอยอยู่กลางอากาศไม่มีกายมีเพียงความรู้รู้สึกรู้ เพียงแต่ไม่นึกคิดอะไรคิดว่าฝันแต่ทำไมเหมือนจริงสภาวะไวเด็กยังเกิดขึ้นกับโยมบางครั้งเฉพาะเวลาขับขันเช่นเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักหมุนอยู่กลางถนนแต่โยมไม่รู้สึกตกใจจิตรวมนิ่งเอามือกอดอกดูรถหมุนเหมือนหมุนช้าๆพอรถจอดนิ่งก็ขับต่อไป แปลกใจว่าทําไมไม่ตกใจเวลานั่งสมาธิหรือนึกอยากให้เกิดให้เป็นก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะก็จิตมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นขอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันถ้ามันดีก็รักษาไว้ถ้าไม่ดีก็อกําจัดมันไปหมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมอ่ะทางนี้ เดี๋ยวสองข้อสองข้อครับขอสอบคําเข้าใจนิดเองครับใกล้ๆใหม่หน่อยครับที่ที่พระอาจารย์อครับเรี่ยก็อธิษฐาให้ฟังครับก็ในแง่ของพอเราเจริญสติออยู่กับคำบริกรมจนกระทั่งจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็เข้าสู่อัปปนาตั้งตนเป็นตัวรู้ได้นะครับในความสุขตรงนั้นเนี่ย ครับมันก็เหมือนกับเป็นพระนิพพานแบบชั่วคราวใช่ไหมครับเป็ใช่เป็นชั่วคราวครับอันนีเราต้องการทําความสุขแบบนี้มันทาวรก็ต้องทําปฏิบัติทั้งวันต้องมีสติทุกตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับแล้ว ค, คอยกําจัดตันหาความอยากที่จะมาคอยทําลายความสงบภครับด้วยนนปัญญาครับอันนี้อันที่สองก็คือเรื่องเรื่องปัญญาที่เวลาเราพอกไปดูพิจารณาเรื่องความอยากทั้งสามที่ทําให้เรา ออกไปจากความสงบตรงนี้ออกจากตัวรู้ไปไปเกี่ยวจิตใจไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆนะฮะไอ้เวลาเราออกไปพิจารณาเนี่ยเราเราดูก็ดูไตารักอะฮะอ่าเป็นทุกอันนี้ต่างทุกขังกันับตาแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยเวลาเราปล่อยเวลาไปดูเนี่ยเราดูเป็นขั้นเป็นกายเมท น, นาจิตธรรมหรือว่าเวลาเราไปดูก็แล้วแต่อะไรที่มันเข้ามาทําให้เราออกไปจากความสงบแล้วก็ ก็ไปปล่อยตรงนั้นครับก็ในเหตุการณ์จริงก็ต้องทำกับเหตุกับสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปมีปัญหาแต่เราไปกังวลกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางเขาเราไปรักหรือไปชังอะไรเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นปล่อยวางเขาไปแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติที่ที่มันจะปล่อยวางได้อย่างทาวอนี่มันมันจะปล่อยตามกาลังของของรูจิตของสติของปัญญาซึ่งมันจะ ปล่อยวางกายได้ง่ายกว่าปล่อยวางเวทนาปล่อยวางเวทนาง่ายกว่าปล่อยวางจิตยะนในที่สุดมันก็จะต้องปล่อยไปตามขั้นอแต่เวลาที่เราเกิดเจอเหตุการณ์นั้นบางทีเราก็ปล่อยไม่ได้หรือปล่อยได้ก็อยู่ที่กําลังของเราเอยั้นไม่ต้องไปกังวลที่ ที่ท่านสอนให้ปล่อยกายเวทนาจิตก็เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเหมือนกับลำดับการเรียนหนังสือของเราเราต้องเรียนป .1 ป .2 ป .3 ข้อสอบมันแต่ละข้อมันจะยากขึ้นไปตามลำดับข้อสอบของกายนี้มันง่ายกว่าข้อสอบของเวทนาข้อสอบของเวทนามันง่ายกว่าข้อสอบของจิตแต่เวลาที่เราปฏิบัตินี้ขั้นต้นเราก็พยายามศึกษาเรื่องของร่างกายก่อน เพราะร่างกายนี้เราจะเจอทั้งของเราและของผู้อื่นการพัดภาคจากกันเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้าเราศึกษาพอเราพบกับความความตายความเปลี่ยนแปลงความแก่เจ็บของผู้อื่นหรือของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้แล้วมันก็มีเรื่องของเวทนาตามมาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย ว่าเราปล่อยวางเขาได้ไหมเราไม่ทุกข์กับเขาได้ไหมอันนี้เราก็สามารถทำข้อสอบทำการบ้านได้ด้วยการนั่งนั่งไปให้มันเจ็บแล้วเราก็อยากไปขยับพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างปล่อยวางทั้งร่างกายปล่อยวางทั้งความเจ็บเพราะมันมาด้วยกันความเจ็บจะมาจากทางร่างกายถ้าเราไปขยับร่างกายแล้วก็ทำให้ความเจ็บหายไป ก็แสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยวางความเจ็บเราอย่างไปไปจัดการมันอยู่เราต้องปล่อยให้มันหายกับมันเองหรือมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเราทำได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะรู้ว่ามันก็แค่เป็นเวทนาแล้วร่างกายเราก็รู้ว่ามันก็แค่ตายแล้วมันก็ต้องตายมันก็จะทำให้เราผ่านเรื่องกายกับเวทนาได้ พอเราผ่านของเราได้ต่อไปเรื่องของคนอื่นแก่เจ็บตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะเข้าไปสู่ข้างในจิตได้เพราะจิตนี้มันจะเป็นขั้นที่ละเอียดกว่าเราต้องผ่านขั้นนั่งกายผ่านเวทนาไปก่อนเราถึงจะเข้าไปถึงตัวอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตที่ทำให้เรากังวลก้าวายกระสับกระสายวิตกกังวลคว้ความอยากมันยังมีอยู่ แล้วเราก็จะเข้าไปค้นคว้าหาดูเวลาเกิดขึ้นมาล้วก็ค้นหาดูว่ามันอยากอะไรแล้วพอรู้ว่ามันอยากอะไรเราก็พิจารณาสิ่งที่เราอยากนั้นว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วเราก็จะปล่อยพ่อหยุดความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ นิดอีกนิดหนึ่งไอ้อถามนึครับในส่วนของเวทนาเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปลึกๆบางทีเราจะไม่รู้สึกทางทางกายครับใชต่ตรงนั้นเรา<ต>เราเข้าไปอย่างนั้นได้ไหมครับลึกอควรจะออกมาเพื่อคื อ, <ป>คอยอมรับกับเวทนาเบื้องต้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวทนาถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็เข้าไปสมาธิก่อนให้จิตมีสมาธิมีกําลังก่อนแล้วขั้นต่อไปเวลานั่งแล้ว<ม> ถ้ามันยังไม่เจ็บก็อย่าเพิ่งไปดุกนั่งไปจนกว่ามันเจ็บถ้ามันเข้าไปในสมาธิก็รอให้มันออกมาพอออกจากสมาธิเราก็นั่งต่อไปโดยที่ให้มีสติรู้อยู่ก็บริกรรมหรือดูลมไปแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองถ้านั่งไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาจดได้ขอบคุครับ คำถามจะคุณธนวดีนะครับทําอย่างไรจะลดความมีตัวตนว่าตัวเองดีกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาคะก็ <tourism. S 1> <อ>พระพุทธเจ้าบอกให้ทําตัวเราเหมือนปัตถภี<บ>คิดว่าเราเป็นแผ่นดินเดี๋ยวคิดว่าเราเป็นแจวก็ได้คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ถึงแม้ว่าเขาจะตั้งให้เราเป็นเจ้านายหรือตั้งให้เราเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่าใจเราก็ให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้ไป เพราะมันเช่นั้นเราจะหลงตามสมมุติที่เขาตั้งขึ้นมาพอเขาให้เราเป็นหัวหน้าหน่อยเราก็เลยโอ้โหใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยแต่พอเขาปลดเราออกปับ๊บเราก็จะเสียใจหรือเวลาเราใหญ่แล้วคนอื่นเขาไม่ยอมให้เราใหญ่เราก็จะทุกข์ mm hmm. เช่นเราสั่งเขาเขาไม่ยอมรับคำสั่งจากเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเพียงคนใช้เราบอกเขาเราสั่งเขาเขาจะ ฟังเราแล้วไม่ฟังเราก็เรื่องของเขาพราเรามันแค่คนใช้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจไม่โกรธเขาถ้าเขาเขาฟังเราก็ดีว่าเออเขาฟังคนรับใช้ถ้าคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นคนรับใช้เ ป, เป็นเป็นแจวเราไม่ได้เป็นเจ้านายให้คอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยเรากำลังเล่นบทบาทกันแล้วเราหลงกับบทบาทที่เราเล่นกัน พอเราได้บทบาทไหนขึ้นมาก็โอ้โหเล่นกับมันอย่างสุดๆเลยพอให้เขาให้เป็นหัวหน้าหน่อยก็โอ้โหเล่นกันอย่างสุดๆเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาปลดขึ้นมาปั๊บมันก็หมดไปเนี่ยต้องคิดว่าถ้าอยากจะลดอัดตราตัวตนก็เนี่ยให้ลดด้วยการคิดว่าเราเป็นเหมือนปัตถภีหรือเป็นเหมือนคนรับใช้ แผ่นดินนี้เขาให้เหยียบใครอยากจะเหยียบเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหเนี่ยแผ่นดินใครจะไปฉี่ไปลดไปปัดสวะใสแผ่นดินแผ่นดินเขาก็ไม่กอดแ้นกอดเคื่องเขาก็เฉยเฉยใครจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยทำทาใจเราให้เป็นปัตภีหรือเป็นเหมือนคนต่ำต้อยเป็นขอทานเป็นคนรับใช้แล้วเราจะไม่รู้สึกจะอจจะลดอัตราตัวตนได้ แต่มันจะเผลอใชมันจะชอบลืมเรื่อยคำถามจะคุณนารยานะครับอที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่ความหมายของจิตเมื่อเข้าสู่สภาวะนิพพานแล้วคือสภาวะของจิตเป็นนิพพานคงอยู่อย่างนั้นสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการใช่หรือไม่คะออใช่แล้วคําคถามจะคุณนิพนนะครับ ขอถามเรื่องจิตครับจิตเดิมแท้คือตัวรู้ใช่ไหมครับและจิตนี้เป็นผู้รับรู้ทุกอย่างและสร้างความสุขความทุกข์รู้อยู่ที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้พิจารณาใช่ไหมครับจิตคือตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดแต่จิตมีความหลงเลยคิดไปในทางที่ทําให้มาเกิดแก่เจ็บตายคิดมาเพื่อสร้างความทุกข์ด้วยการมีความอยากต่างๆ พอได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้รู้ว่าจิตนี้หลงเพราะเพราะไม่ไม่รู้ความจริงว่าความสุขอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่าความสุขอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความหยุดความอยากก็มาสอนจิตที่หลงนี้ให้หยุดยากกันหยุดคิดกันพอจิตหยุดคิดหยุดอยากจิตก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอด คำถามจะคุณจินจินจินตะนภานะครับ เ, เวลาหนูไปทําบุญหรือไปปฏิบัติธรรมแต่สามีไม่ได้ไปด้วยแต่เห็นด้วยถามว่าสามีจะได้บุญไหมคะก็ได้ตอนที่เห็นด้วยคือไม่โกรธไม่ไม่รู้สึกว้าเหวบางทีถ้าไม่เห็นด้วยอยากจะให้อยู่ไม่อยากให้ไป เ, เวลาไปก็จะรู้สึกว้าเหวอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจ แต่ถ้าเห็นด้วยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเวเขาก็ได้บุญตรงนั้นแต่เขาไม่ได้บุญจากการปฏิบัติถ้าเขาอยากจะได้บุญจากการปฏิบัติเขาก็ต้องไปปฏิบัติเองการปฏิบัตินี้ของใครของมันทำให้กันไม่ได้ปากเอามาฝากกันไม่ได้เหมือนบอกผมไปนั่งสมาธิกลับมาเอาสมาธิมาฝากคุณนะอย่างงี้ฝากกันไม่ได้ไม่เหมือนเราไปซื้อของกลับมาบ้านก็ซื้อของมาฝากกัน คำถามจากคุณสิเชนนะครับข้อที่หนึ่งหากต้องการบรรลุขั้นสกิทาคามีและอนาคามีนั้นจำเป็นต้องเห็นอสุภะร่างกายเป็นสำคัญใช่ไหมคะก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อนต้องผ่านขั้นโสดาบันก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นสกิดาคามีได้คือต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บความตายได้ก่อนไม่กลัวความเจ็บความตาย แล้วทีนี้ก็ค่อยไปพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามต่างๆสัดส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่น่าดูไม่น่าชมดูมิติต่างๆดูที่ตอนที่ร่างกายตายบ้างก็ได้ดูโครงกระดูกของร่างกายบ้างก็ได้ดูอวัยวะเช่นปอดหัวใจตับลาไส้หรือดูน้ําหรือสิ่งสกปรกที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายก็ได้ดูแล้วจะทําให้ดับ ความอยากในการเสพกามได้ในร่วมการการร่วมหลับนอนกันได้ข้อที่สองและหากไม่มีความอยากเสพกามหากไม่มีความอยากเสพกามทางเพศแต่ยังรักสวยรักงามเพื่อการประกอบอาชีพและติดต่อผู้คนเช่นนี้ก็เรียกว่าลักกามได้หรือเปล่าคะ ยังไม่ได้หรอกก็ยังไม่พิจารณาดูว่าความสวยความงามก็เป็นเพียงแต่ของชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องดูไม่ได้ข้อที่สามขอกราบพระอาจารย์ช่วยอธิบายการปฏิบัติในขั้นสกิทาคามีและอนาคามีด้วยค่ะก็นี่แหละต้องดูร่างกายของคนที่เรามีความรู้สึกด้วย เช่นเราชอบคนนั้นเราก็ต้องดูตับไตไส้ภูงเขาดูโครงกระดูกเขามองให้เห็นหรือดูเวลาที่เขาตายแล้วถ้าเกิดเขาตายแล้วเรายังอยากจะไปชอบเขายังรักเขาอยู่หรือเปล่าให้พิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถที่จะตัดความรักความชอบในร่างกายของคนนั้นได้หรือของคนไหนก็ได้ที่เรา ยังไปเกิดมีอารมณ์ด้วยต้องตัดให้ได้ด้วยการมองส่วนที่ไม่ได้ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามก่อย่าไปดูส่วนที่สวยที่งามคำถามจากคุณลัต ด, ดานะครับเวลาท่องพุโทโธสักยี่สิบนาทีขณะขณะลอยน้ำแล้วสักพักก็มืดไม่มีความรู้สึก ไม่ทราบว่าเรียกว่าหลับหรือเข้าสมาธิไม่รู้สึกอะไรพอมีเสียงดังแล้วตกใจแบบนี้เรียกว่าหลับหรือเข้าสมาธิคะหลับหลับาไม่รู้สึกก็หลับต้องรู้ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาคำถามจากคุณแอปเปิลนะครับฝันดีฝันร้ายเกิดจากอะไรคะก็จากบุญจากบาปที่เราทำนะเวลาเราทำบุญแล้วก็เหมือนกับเราถ่ายวีดีโอ กิจกรรมที่ดีต่างๆไว้ในใจเราเพอตอนนอนหลับมันก็ฉายฉายย้อนหลังให้เราดูทีนี้มันจะฉายย้อนกับยากการทำความดีเราทาความดีกับคนอื่นมันก็จะฉายให้เหมือนก็ว่าคนอื่นมาทำความดีกับเราเราก็เลยมีความสุขเวลาเราฝันถึงเหตุการณ์ที่มีแต่คนเขามาทำความดีกับเรา เช่นเดียวกับเวลาทำบาปนี่เราก็ถ่ายอัดวีดีโอไว้พอเรานอนหลับมันก็มาฉายเราดูที่มันจะฉายกลับกันมันเราเคยไปทำร้ายใครเขาก็จะกลับมาทาร้ายเราเราจะฝันกลับกันเราก็จะฝันแล้วก็จะจะทุกข์กับความฝันเพราะมันเป็นมันเป็นฝันไม่ดีคำถามจ้าคุณฉันก็รักของฉัน การเจริญปัญญาต้องเจริญตอนหลับตาหรือลืมตาหรือได้ทั้งสองครับได้ทั้งนั้นยกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิหรือเวลานอนหลับเท่านั้นแต่เวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่ควรเจริญควรจะให้จิตนิ่งสงบให้นานๆส่วนเวลานอนหลับก็ไม่มีสติก็ไม่สามารถจะเจริญได้คำถามจะคุณนรงศักดิ์นะครับถ้าจะไปพระนิพพานจิตเราต้องรู้เห็นจริงถึงการเกิด เหตุแห่งการไปเกิดวิธีการที่จะหยุดให้ไปเกิดที่จิตทางเดียวนี้หรือเปล่าครับหมายความว่าถ้าไม่ได้รู้ได้เห็นเช่นนี้ก็ต้องทำให้รู้เห็นเป็นขั้นขั้นหนึ่งที่ต้องทำให้ได้หรือเปล่าครับต้องทำให้ได้เช่นหยุดความอยาก เช่นเราอยากจะสูบบุหรี่เนี่ยเราเลิกได้หรหือเปล่าถ้าเรายังเลิกไม่ได้เราก็จะกลับมาเกิดมาสูบบุหรี่เรื่อย i. ถ้าเราอยากจะดื่มสุราถ้าเราเลิกได้หรือเปล่าถ้าเราเลิกได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาดื่มโซราอีกนี่ฉะนั้นเราอยากอะไรเราก็ต้องหยุด ม, มันให้ได้อก็ไม่ได้ห้ามให้เราดื่มให้เรากินอาหารเพราะการดื่มการกินอาหารนี่ดื่มแบบไม่อยากก็มี rale? เดิมแบบกินยาก็มีเดิมแบบดื่มยากินแบบกินยาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนอาหารก็เป็นเหมือนยาอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องการพอถึงเวลาเราก็กินตามความต้องการของร่างกายอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่สิ่งที่เราไม่จาเป็นจะต้องกินต้องดื่มแล้วเรากินเราดื่มมันนั้นมันเป็นความอยากเช่นอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมนมเนย ขบเคี่ยวของอะไรต่างๆนอกเวลาของการรับประทานอาหารอย่างนี้มันก็เป็นความอยากทั้งนั้นเราก็ต้องหยุดมันให้ได้เราอยากไปเที่ยวอันนี้ก็ต้องหยุดมันให้ได้ไปอยู่วัดไปอยู่วัดแล้วไม่ต้อ อ, อกไปเที่ยวได้ไหมเช่นเขาบวชผ้าป่า น, นี่เขาบวชกันทีเขาให้อยู่ห้าปีไม่ต้องไปไหนไปตัดความอยากกันทางตาหูจมกูกลิ้นกายกัน ก็ต้องปฏิบัติเทงจะรู้ว่าหยุดได้หรือไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณมาสเตอร์นะครับเป็นพระผูสงศ์นะครับพอดีผมมีเจดีย์องค์เล็กๆภายในมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ผมนำเอาไว้ในกุฏิส่วนพระพุทธรูปผมไม่นำมาไว้ผมกราบไหว้แต่เจดีย์องค์นั้นได้ไหมครับได้อยจะกราบอะไรก็กราบไปอีกข้อนะครับ บริการที่พระธุดงค์ใช้นั้นมีอะไรบ้างครับก็เหมือนพระทุทกวไปนะก็บริขารแปดชิ้นไงอัฐบริการบาทหนึ่งใบจีวรสามผืนเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นใบมีดโกนมีดโกนเข็มกดได้ที่กรองน้ำอันนี้ก็เป็นอัฐบริขารที่ทุกคนที่มาบวชนี้จะต้องมีกัน คําคถามข้อต่อไปจะคุณสิเชนนะครับอีกทีนะครับหากไม่พิจารณาอาสุภะแต่พิจารณาทุกอย่างตายลักอย่างเดียวได้ไหมคะแบบนี้จะละ ก, กามได้ไหมก็ลองทําดูได้ลองทําดูเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วลองพิจารณาด้วยตายรักดูว่าก็ได้ถ้าดูว่าเขาเป็นคนตายดูว่าเขาเป็นซากศพนี้ได้ไหรือเปล่า ถ้าเขาตายวันนี้เเรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านอยู่เปล่าเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันพอวันนี้ตายเมคืนนี้จะนอนต่อเปล่าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเวลาท้อแท้ในการปฏิบัติใช้จัตุอารักษกรรมมาฐานช่วยได้ไหมคะสามารถใช้ในกรณีใดบ้าง ก็เวลาทอ้อแท้ก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงวิธีคําสอนของพระพุทธเจ้าอนึกถึงครูบาอาจารย์ฟังเทศคําสอนของครูบาอาจารย์นึกถึงประวัติการต่อสู้การปฏิบัติของท่านมันก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะทําให้จะรักษาความทอ้อแท้ได้ป้องกันการทอร้อแท้ได้เพราะเวลาฟังท่านนั้นเ่าจะเอาอ ความวิเศษของธรรมมาอวดเราเหมือนกับหลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติของหลวงปู่มั่นว่าเวลาที่หลวงปู่มั่นท่านแสดงธรรมนี้เหมือนท่านเปิดตู้เพชรมาให้เราดูว่าเนี่ยในตู้เนี้ยมีอะไรบ้างในใจของท่านความหมายก็คือว่าเวลาท่านแสดงธรรมนี้ก็เหมือนเ ป, เปิดตู้เพชรให้เราเห็นเพชรที่สวยงามที่หายากเนี่พอเราเห็นแล้วเราน้ำลายไหลอยากแคได้ความท้อแท้ในการปฏิบัติมันก็จะหายไป มันก็อยากจะปฏิบัติเพื่อจะได้ได้มีเพชรอย่างนั้นบ้างเะฉั้นการฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องสําคัญพระพุทธเจ้าถึงทรงกําหนดให้มีวันพระนี่ไงให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างเนี่ยมันให้กําลังใจอย่างหนึง่งแล้วก็ให้ความรู้ที่เราไม่รู้กันความรู้ที่เรารู้แล้วก็จะช่วยให้เราไม่หลงไม่ลืมทําให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป คำถามเจ้าคุณจันทนานะครับชีวิตหนูทําไมเหนื่อยจังเมื่อไหร่ทุกสิ่งในชีวิตจะมีความคล่องบ้างต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้น้อยใจในชีวิตเจ้าคะเพราะหนูอยากมากเกิเนไปไงหนู้ลดความอยากลงแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยถ้าอยากมากมันก็ต้องหามากมันก็เลยเหนื่อยแล้วน้อยใจเพราะหาไม่ได้เนีย่ยถ้าไม่อยากเราจะไม่น้อยใจจะไม่เหนื่อย หัดอยู่เฉยๆบ้างเสร็ยเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนว่าวันไหนว่างๆไม่รู้จะทำอะไรหาเก้าอี้ตัวหนึ่งสบายๆแล้วก็นั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรนอกจากเข้าห้องน้ำนอกนั้นก็ให้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนแต่อย่าเดินอย่าไปไหนมาไหนให้นั่งเฉยๆให้หยุดความอยากทำนู่นทำนี่ต่างๆแล้วถ้าหยุดได้ต่อไปจะไม่เหนื่อย ไอ้ตัวที่ทำให้เราเหนื่อยก็คือตัวความอยากเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆมันสบายจะตายไปอยากให้มันเหนื่อยให้มันท้อทแท้ทำไมใช่ไหมถ้านั่งเฉยๆได้ในสบายมีความสุขคำถามจากทาง YouTube นะครับ จะคุณภัยสิทธ์นะครับทําอย่างไรให้จิตสงบคงที่ได้นานครับก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องต้องพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยเื่อยนื้อดูลมหายใจอยู่เรื่อยเรื่อยอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คําถามจะคุณปลายฟ้านะครับเราเอาใจภาวนาอยู่กับบทสวดมนต์หรือคําว่าพุโทโธไปเรื่อยๆคะได้ทั้งนั้น ถ้าอยู่กับพุทธโธไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ได้แล้วอยู่ถ้ามาอยู่กับพุทธโธได้ก็หยุดสวดก็ได้ถ้ามาอยู่กับลมหายใจได้ก็หยุดพุทธโธก็ได้แล้วแต่ความถนัดท่านเดิมนะครับแล้วอยู่ๆมันว่างๆสังเกตว่าว่างๆอย่างนี้ต้องกลับมาภ า, า, า, าวนาใหม่ต่อใช่ภาวนาใหม่ต่อใช่ไหมเจ้าคะ ถ้ามันว่างมันไม่คิดอะไรก็ใช้ใช้สติประครับประคองให้รู้เฉยๆไปก็ได้ว่ารู้ตอนนี้มันว่างไม่ต้องพุโทโธก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ให้นั่งอยู่กับความว่างไปให้อยู่กับความว่างไปถ้ามันไม่คิดอะไรไม่อยากอะไรถ้ามันเริ่มคิดมันเริ่มอยากก็สวดต่อไปหรือพุโทโธต่อไปให้มันว่างอยู่เรื่อยๆคำถามจะคุณ สิริปาพานะครับการกำหนดจิตในการภาวนาหรือบริกรรมคาถามีผลอย่างไรเจ้าคะก็เนี่ยมีผลเพื่อให้จิตสงบเพราะถ้าจิตเราไม่มีอะไรมากำหนดควบคุมมันจะชอบคิดพอคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเหนื่อยเกิดความท้อแท้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจเวลาที่มันไม่ได้ดังใจอยากหมดแล้วเครับอาจารย์ มีใครอยากจะถามอีกไหมมีต่อครับจะกคุณจุบชูชีพนะครับจะทำอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบธรรมะจะโน้มจิตเขาได้อย่างไรคะออทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นบัวสี่เหล่า มีสามเหล่าที่ยังพอสนใจธรรมะอยู่แต่บัวเหล่าที่สี่นี่เขาเป็นไม่สนใจเขาจ้าบอกให้ชักสะพานซะอย่าไปเสียเวลาถ้าถ้าเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขเทไปมันก็สะบัดทิ้งหมดเอาธรรมะไปให้อ่านมันก็ไม่อ่านชวนไปวัดก็ไม่ไปก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขา